ได้นอนนรติตาการและมาจนสถานที่นี้เยอว่ากเป็นมงคลในสถานที่นี้เยอะนั่งทุกคนที่มานี้มาเฉืี่ยุระส่วนดีั้งนั้นจะมาริวิอิณว่านี้เป็นวัดตา ตั้งมาประมาณในราวสักยี่สิบปีเป็นป่าแล้วเป็นป่าเป็นรูปฤาษีชนทั้งหลายที่นับถือพัตถุกาจิมาต่อไป ม, มาเยี่ยมมาเละไม่ไขาดนนแบบนี้วันนี้มีท่านปุณิสเกียรติทั้งหลายที่จะมาเยี่ยมวันนี้อจะมาจึงขอให้ตั้งใจรับรู้ว่า อันเป็นส่วนธรรมะขององค์สมเด็จพระกมาสัพุทธเจ้าพอสมควรเป็นการปฏิสันฐานตอนับโดยธรรมะแบรระบนี้จาเราทังหลายมีความจำเป็นหรือว่าเรื่องผีเราทนั้นทุกวันนี้ตามที่อาตามาโดยปราศจัพผีลูกรูปล้านๆานเคยเมาบวชประจําที่นี่หลายแห่งู้สึกว่า มีกำลังน้อยกำลังไม่พอประเจศภาติบ้านเามืองดุริยานเรายุ่งเครื่องแต่มาทุกวันทุกวั น, นไปไปทุกวันอืมลาภฐานจะยุ่งน้อยลงไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะมาหนักใจเลยนั่นกันอืแต่รับปิจนาอยู่บ่อยนือนกั น, เ, น, เ, น, กนเพื่อจะให้ประเจ้าชาติบ้านเมืองของเรา ปลูกเป็นราชฐานในประเทศชาติให้มีความสามัคคีคงเพียงกันให้มีความกลมใส่ชาติา น, นี้จะเป็นเรื่องปฏิบัติส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบ้านเมืองเราไม่สบายพระก็ไม่สบายไปด้วยบ้านนี่จะเป็นส่วนมากห<ม>ลังคาเป็นส่วนหลังคาหลังคามันรั่วยอยู่ก็ไม่สบาย จะเกลียดใส่และจะใส่คิดถสงอยู่เสมอนั้นเรื่องนั้นสําคัญตก็คือในมีเรื่องอะไรแต่เรื่องคนมีประเด็นเรื่องมันไม่พอนมันจะเรื่องยี่มดไม่พอกับความต้องการของเราทุกคนอืมความไม่พอเนี่ยเป็นเหตุให้เรากเกียดใส่เป็นเหตุให้เราทํางานในตรงต่อหน้าที่ของเรา เพรามบังคับของเราคือความยอยากในความอยากนี่ไม่สิดนี่หนังไม่สด ต, ตัวตวนในความอยากนี่เป็นามธรรมอืมท้องของเรานั้นนี่ยมันใส่ความอยากอยู่ตรงนั้นมีนอื่มต้นถ้าอื่มเยอะเอาให้มันก็ไม่เอาแล้กถ้ามันจะเอาอยู่มันจะเอาวิเชีรยรความอยากใตัวมันอื่มเนีมันอิน่มเยอะแหละอืมันอิน่มในความอยากมันอา่า มันเหรอครับอยากไอ้ความอยากนี้แหละเป็นตัวการที่สำคัญเราทั้งหลายก็มาแล้วนะผมอยากไม่ใช่ว่าไม่รับประทานอืมไม่ใช่ว่าไม่อาศัยสิ่งทั้งหลายแบบนี้ความอยากตองนการคิดปัญหานั้นนั่นจะเป็นความอยากแต่ต้องอาศัยมันอาศัยมันเพื่อเนี่ยให้ให้มันทําลายความอยาก อย่างมานี่ถ้าไม่เราถ้าเราไม่อยากมามันเป็นอะไ ม, มาที่แรกทีตั้งใจคือคนาอยากเมื่อเราอยากมาแล้วแล้วมาเห็นทีนี้มาเห็นที่นี้ไอ้ความอยากเป็นผู้ที่เชื่อตั้งว่าเรามีของเราสิ่งที่จะระวงังความอยากไม่กันยาของเราเมื้ตั้งพุทธศาสนาตัางา้งสอนอย่ามากน้อย การกันโดดมักน้อยหนึ่งบางคนก็จะมงยากขึ้นนะบางคนลมัดน้อน้อยมันจะอเรื่งองนน้อยก็เติมไม่ใช่ยอย่างนั้นไอ้ความกันโดดหรือความมักน้อยนี้ ต, ตัวเดียว่าเที่ววรที่มันมีอยู่เรามีอะไรอยู่เราเป็รักษานขอเรายอยู่วันออนี้ทำงานไปเวลานี้ผมจ่อมันซะก่อนไม่ใช่ว่าท่านให้เอาให้รู้จักประมาณ ไความรู้จักประมาณหนึ่งประมาณตัวประมาณการพูดประมาณการไปประมาณาสารพัดอย่างความรู้จักประมาณนี้เป็นเหตุให้บรรเทาความปุ๊กบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาความอยากทั้งหลายนี้ผู้รู้จักประมาณอืมอัตมาเคยเรื่องจับยกตัวอย่างจับอย่างเมรุตินะมันหิวข้าอเอาข้ามันกิน กินจานนึ่งมันก็ไม่พอให้สองจานมันก็ไม่พอจานที่สามที่สี่มันพอแล้วแต่ะามันึ่มันนอนอยู่นั่งวะม่ตัวชิ้นสี่จะไปกินซึ่งในพอมันมแล้วความอยากมันยังอยู่ชิ้นสี่อนมามันทางฮึ้ยฮ่ฮมันกินไม่ได้ยี่คือความอยากมันยังดีความอิ่มมันู่แล้วพอมันอิเติมแตความอยากมันอิ่มนม่ติมนั้นพระองค์ท่านตสัสว่า นาทีปัญหาจะมานาทีแม่น้ําสมอเรื่อด้วยปัญหาไม่มีแม่น้ําไม่ใหญ่เท่าปัญหาไม่กว้างเท่าปัญหาไม่ยาวเท่าปัญหาไม่รกกว่าปัญหาตรงนั้นปัญหามันรึกกว่ากว้างกว่ายาวกว่าทั้งหมดทุกอย่างอันนี้เป็นหลักฐางที่เราจะชีิตที่จะมาถ้าให้มันเท่าสมควรเมื่อเราอยู่ในโลก อยู่น้อยก็ไม่สบายอย่าพาเพื่อนมากๆที่อยู่เดีตั้ๆโดยเพื่อนมากๆจ่ก็ไม่สบายใจมันวุ่นวายารระพัดอย่างในโลกที่มันเป็นเท่าไงอยู่อย่างนี้นี่คนนือนนพวกเราอยู่ในสุนทรของโลกนี้ที่จะให้โลกที่สบายมีสุขบริวารความละอายความกลัวธรรนะเป็นฮิรุความละอายอุตตรภูมกลัว เป็นธรรมที่คุ้มครองโรคอย่างดีถ้าใครมีความกลัวแล้วก็มีความอายต่ อ, วอความชผู้อิจฉาผิดแล้วการงานของคนนั่นจะตรงไปตรงมาจะเป็นชีวิตประจสมบูรณ์สินมากทําจึงจัดทําทั้งสองประการเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโรคคุ้มครองโรคอย่างดีแต่มันจะคุ้มครองได้เพราะไปปฏิบัตินันนะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คุ้มครองมันไม่ได้ อย่างพวกเมืองนอกชาวโหรเควภักอัตมาว่าคุณท่านอยู่ในไทยเมืองไทยเป็นศาสนาพุทธทำไมขโมยเงินเยอะอัตมาลับเป็นที่เรียบร้อยขโมยเงินหายเยอะตัอแบบคนเป็นขโมยเจอแบบธรรมะเป็นขโมยในสหรัฐหรืคนจะมีเงันกันนะมนันไม่ใช่ที่เมืองไทยนะคนที่มีที่สัสตันก็เป็นขโมย แต่กฎหมายมันดีเยอทํามันดีอยู่อันนี้อาสมายอมรับเลยปะขโมยมันใครนี่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเป็นขโมยคนที่สอนธรรมะเนี่ยสอนไม่ไมีตรงนั้นเลยแต่คนนั้นปนขโมยอันนี้จะเป็นต่ำสุดนั้นนี่ฉะนั้นเรื่องควาอยากนี่มันเป็นเรื่องที่สัมผัสยังที่สำคัญที่สุดอผลที่สนะุดนด้จะมาเย็ถึงอย่างความเร า, ราที่อยู่เป็นคุณพ่อตอนเนี้ถ้าเราด้จัดแบ่งกัน ผู้ใหญ่กับดีาผูน้น้อยผู้น้อยเคาผู้ใหญ่หมนรรนันต่อเพื่อนใครน้าเหมือนกันอย่างเจ็บหิบ้านหลังหนึ่งจนเจ็บหิเอาคนชาใช้มาตั้งในบ้านคือว่ า, าจะมันจะไปดูถูกจะมันจะไม่ได้ไหมมันก็มีดีเนกันคนจนเนาะร่างพ่วยตะเพิลหั้ากะเพิลเรื่องเอด็กเรากะเพิลซักบ้านตะเพนลรักผ้าตะเ ตัวเราให้สักมาเป็นทะเลาะอย่างนั้นอันนั้นเ็ดีส่วนนั้นใาดีส่วนนี้ที่จะนั่นจะท่วงให้สตรีาฟรามีให้คนจนนั่นจะม่ให้คน้วยให้โทษคด้วยอย่างนั้นจะไม่ได้บ้านทั้นที่เราอยู่นี้เราไม่มีความสามามมีความสามารถจะสร้างจะเหมะาการสร้างจะไม่ไ ด, ด, ด, ด้สะสวยดีอูสบา ย, ยีอันนี้ก็เป็นเรื่องของช่านอันนั้นคือเรื่องของเจา้านายเรื่องต่อม่ ปุปการะลูกหลานเนี่ย้ามีคุณอย่างนั้นนี่จะนั่นคนจนคนรวยนี่จะทิ้งกันนร่ออืมอืมสุสีตะจวะอาจารย์ทิ้งกันในร่องเราสัญญานี้สมัครแันนั้นเกิดมาเป็นกลุ่มก้อนมีเดกานอย่างนั้นคุณที่สุดมันก็สุดแล้วมันก็แกแก่แล้วมันก็สุดสุดแล้นก็ตายมันจะไปในทํานองนี้เหมือนกันไม่มีอะไรมาเหลือข้างอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นี่จะนั่น ถ้าเราพิจาราธรรมะเนความอยากระบบโมโทโซนั่นไม่จะพอนหนักเป็นเบาไปเร่อยๆเนี่ยความอยากที่มันก็ค่อยกันเทาไปธรรมะมันจะเกิดขึ้นมากะนั้นทุกคนที่มานมี้หวังว่าต้องการความสงบต้องการความระัดให้เป็นภูมิหนึ่งตาหารีอาศัยขึ้นคำเดินขาคนใดคนหนึ่งนั้นจะไม่ได้นันไม่สบาย ยิ่งนั่นเราเราทุกทุกคนนั่นดีทุกคนทั้นต่ำก็ดีทุกคนท่านกลางก็ดีทุกคนท่านยอดมันก็ดีทุกทุกคนมันเป็นไม้ชนิดหนึ่งรากมันจะดีเหนึ่งยอดมันจะดีหนึใมันจะดีเหนึ่งมันมีมันจะเป็นต้นน้องั้นอยู่ไม่ได้ละก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้อือแต่เห็นมน่อยเป็นเด็กจะอยากเป็นคนโตอย่างนั้นแตก่อนเป็นเป็นคนเด็ก อยาเป็นโตเปนทนจะสบายเมื่อโตก็จะไมสบายกันเนกันอีคนอื่นเกาะเราเราเป็นเ็กเราเกาะคนอื่นเขาแต่เ่อมันมนบอกเอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นแต่ทุกคนจะสบายกันหน้าีเมื่อเราโตเป็นนายจะถูกเด็กมันเกาะเราเหมือนกันอ่าอาแรเอามาชุ่มชุ่มใจเนถังขยะเป็นพราะน้าเสือเหมืนทังขยะอะไรตัวนก็มาชุ่กัมันนะอัตมาสิงหดุกจ ไม่ใช่ไม่ใช่เอาคองดีมาฝากครับเอาของที่มันดีมาฝากให้แก้ปัญหาให้ถ้า ต, ต้องการทำผิดนญญาาัแล้วมหาสมุทราสตร์เนี่ยเขาแก้เราแก้ไม่ได้แล้วไปทำผิดอยาให้แก้ไมนถูกไม่ได้ต้องทางนี้มันถูกอือเนี่ยโดยหน้นาศพเปนงิเป็นสุทธิ์อัตมาเป็นป้าเป็นเมียอ๋อชอบทาผิดอะไรมาฟ้องไปทำผิไดไปอยากให้รเราแก้มันจะแก้ไม่ได้แต่แมันทำผิดจะไปทำท่นที่ ทั้เรื่องมันมีฉะนั้นยิ่งฉะนั้นเราอาตมาทุกวันมีนก็ผูกสุขภาพเท่ากับดนจเกาะหนักในการเยอะคนนู้นหยบได้นะเดอะคนนี้หยบได้นี้ใช่หลือครับอย่างนานไปประเดียวปวดแบบท่านอาจารย์ในส่วนของเราเราสุดท้องปวดจะตายแล้วมันมีพวกนี้จะทํางหรืออย่างนี้เราคุเห็นไหต้นมันจะมีประโยชน์ลายจะมีประโยชน์ลำต้นมันจะมีประโยชน์ ทุกคนเราให้เข้าใจว่าเรามีประโยชน์ต่อกันทั้งหมดนี่ะนั้นถึงเมื่อ เ, เราจะอยู่ในทีมผานกันต่างกันตรงนี้คนคนเดียวกันเหมือนพอน่อแม่อันเดียวกันมีความรู้สึกอันเดียวกันไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเดือดร้อนเหมือนกั น, ยนอย่างนั้นนี่ะนั้นควรมีธรรมะสือสออ่อสุทธิความละอายอายต่อความผิดรัวต่อความผิดนั่นแหละอือยิสุทธิควาเอ้อตั้งรอืม ถ้าเราอาตะกร้อแล้วก็น่าที่การงานของเรามันตรงเมื่อหน่าที่การงานของเรามันตรงแล้วปัญหามันก็ไม่มีปัญหาไม่มีมันจะสบายขนานั้นแหละมมันเป็นไปอย่างนั้นอแต่ในวันนี้ให้ความรู้สึกของท่านทีนเกลียดทั้งหลในวันนี้ก็น้อยแต่ว่าถ้าหากเอาไปพิจารณาธรรมะนั้นกัมกกนมันดึงกระซอกหวังยุบิกลมละอาย โอนสภาครครัวอย่างนี้สามารถที่จะให้เราทำถึงสักริยะบุคคลในชาตินี้ในาติหน้าต่อไปได้นีฉะนั้นคาพูดในวันนี้ขอเป็นใจเป็นศีรษะานยในจิตใจของท่านผู้มีเกียรติทางดายจงไปดูชาเศรษฐกิจบตปเจ้าอำนาจของคุณสัชญาสนไตรอันนี้จงปกป้อง้องทานกทานทงร้ายจงมีความยืนยันถึงศีตลอดนานเทือยก็ิภัย ผมคิดว่าเนี้ยเนี้ยไปังมุตย์ดีกว่าจะได้รอบมาสบายดีจะไปสังมุตย์ไปเลยไปสังมุตย์นี่ยราบมาทังนี้ย้อนมาเห็นบุตรเยอะใหญ้ค่ะถ้าไปส่งไโบสถ์ยังนั่งตายมันโคลน ร่างกายอ่อรงก็เลยมามันงู้ว่าละยองก็ผูกจองหวัดละยองได้นมวสการลุงพ่อที่ดีใช่่อ้ยละยอง่นี้เนี่ยหลว่าหัวว่าเป็นท่าเออวันเสาร์มียาตดรวมเข้ากัไปละยองอย่งนี้ดีพักหนึ่จับไม่ได้มันหลายคนนะอืเออเออหรือวมาทางนี้นะ เออสามารถตย่งนี้อ๋ออ๋อไปดูนี่มันจะไปขวดมันก็มีไหว ม, มันไหวมันเยอะต้องให้อยู่ตามคุณมันไม่มีคุณไม่มีการคุณคงจะพักอยู่หลายวันนันเอ คนเดียวเลยงั้นจังหวะตลดไปันิงไหมอออ๋อออเรืองแสนกระมวเรืองขันมันจางแฉะเนยสองขอนี่ทั้งนู่นด้วย ก็พอกับพระที่มารวมรวมกันนี่แหละมารวมสารที่เดียวกันทั้งหมดอเดมอ่าออันนี้มันก็ไม่แน่นอนนะบางทีคนมานะคนมากบางทีมันก็เพิ่มเวลาบางทีมั น, น้อยมั น, นกนาาน็เร็วข้ามการจบปิดได้ระยะยันท์ ทขคจุดว่าแต่สุขภาพนม่ไม่ไม่ไม่สดียเท่าที่มันมีอยู่เนี่ยลูกหลานมาเนี่ลูกหลานจไหนมาอืนอ้วนอ่ะฮึลูกหลานจะไหนกันอ๋อผบก็ต้องเห็นวัฒนธรรมที่หลังเขาชาวจังหวัดอื่นฝนก่อน อย่างนอกเขาเห็นก่อนที่บนมีเห็นที่หลังครับอันนี้เป็นของเก่าเราไปหยิบมาจากในที่ต่างๆที่มันล้างไปเราไปหยิบมาอืมขอเือวยวมไวหน่ขอข อ, ขอกำลังแรงทหารเราขันน้อยขันบทุกมาหรือหยิบมา <c oughs> นี่ที่ผมมาลานจําเครงทำเนจัดครืงอือืารพูดพูออกแบบนะอาอาจารย์บำเพ็ญบำเพ็ญครุราชมันเป็นคลุราว่ามันก็ต้องจินตนาให้ เอาสาัตว์ะะปนุษกสัตวปนุษมาปนกันเข้ามันจะมาเจออยู่ในปา่าในเขาเลยเอาไอ้ความรู้สึกนั้นมาปนมากินธนาให้สัตว์ปนุษเขาสูก็จ ะ, จะออกแยกออกมาข้ามกันอย่างนี้นอย่าแนี้คามเสามพั่จะเป็นรักหรือว่าเป็นเอ่อในนิจจใจรัก อันนึหลายอย่างอืมนึ่ถึงอืมถพูดถึงธรรมคุณธรรมคุณมนี้ไแบบอืมเนี่ยอมันเป็นอย่างี้อืมอยากดูแลไมรยดูแลไมรมันนี ให้สูงโตมากทุกครั้งแม่ตว่ามตวาออตวก็อมีังน้ำหมดแอันนี้หมดบางส่วนเนี่ยถองน้ามันดิบเต็มนั่นแต่นี้กัวว่ามันอาการมันใหญ่โตมันจะไม่ท้าบอนต่อไปก็เรา้งควร ทั้งหน้าด้วยแถมทั้งนอกนี่ที่นี่ทำเป็นไอนี่สลาปนิกโบราณความสมบูรณ์นี่แบบโบสถ์ยคโบสถุคใหม่ตรงนี้ทราประธานต้างมาเรียนในทราบว่าวันที่ที่20เขาจนำเข้นมาตรงจะเป็นทาประธานยืนแต่จังคำอย่างนีง้ ไ ม, ม่นมีฝาขนางางั ง, งนทำโรงเรียนเพราะว่ายีา่ยังมีขโมยม็เอาของไปหมดเืยค่ะอันนี้อาจะมารับรองว่าอนี้คือโบกกันโจรโจร ม, มามองมอะไหรอะไรประับทั่นี่เลยเนาะโบ <c oughs> งับ์นีอะไรของเราล่ะจ <c oughs> ะราไประทา ป, ประตูผิดเนื่ยนามันงัดทพังหมดเลยนี้เดีร์ครับอันนี้าทางท่านนี้มันก็จะมาดูว่านี่มีอะไรเอาปรับนั้นแต่ว่ต่อไปจะ้องว้มา ในในอารมณ์ที่อ๋อมาจากผู้พิพากษาอาจารย์ศิดฐ์บบุตรเป็นผู้ออกแบบท่านสูงประมาณตักสีเนี่มีไหว่ันนีองค์จำลองมีจำลองจาลองมาไว้อนม่ไว้สอนพก็ะทันก็ลูกนี้ลูกนี้จะใหญ่ไม่สูง ประมาณสี่เมไดูเท่าไหร่ครับผมประมาณ้ตนี้ต่ำมลต้งด้วยชนานทหุตงนเออเดนียดูกระดูด้มาเลากันได้มาดูข้างหลังมันดิมาเลกระดูข้างหลังมันดิเนก มันเยืนดีอันนี้นัองนี้ีคืดถังน้ำที่เอาน้ำน้ำเอานู่นตอที่นู่นสปิดเข้าไปนู่นเลยเยอะหลายเลอืออันน้เนกลางหลังมันถ้าจะสร้างลงสมุนประมาณเกือบประมาณต้งสามล้านเลย โบสถ์นี่เป็นจุดขึของวัดตงจ้ประตูข้างนี้ึ่งตรงนี้ไปนี่ขึ้นนี่ีอยู่ตรงนี้ในมีทั้งขึ้นเหนือทั้งขึ้านี่จะขีประมาณนี้สักมันสักพอาดซาประมาณสักเจ็ดจีบกหลังโยมขีก็เหมือนเหมือนกัเท่ากันนั่น ไม่ไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นมาห้วงใหญ่ๆเป็นเป็นบ้านเต่าครับสมัยนั้นบ้านทุกคนเลยนะมันนีตายกันถ้าบ้านเมืองมันวุ่นวายเขาเสียดโรคกระบาดมาตายสามคนหนีไม่ห่วงบ้านเอกจะทำที่ใ่อีกเรื่องอะไรยังไงอันนี้มันเลือยเป็นไม้จนมันสูงไว้มันเป็นบ้านเต่าครับ โดยมา ก, มากนี่มันเป็นตะบกเป็นอาหารของตะแป่อาหารของจัปดป่าสะดวมากทุ่นี่อยู่อันนี้เป็นทางหลังเนี่ยประมาณก็สามล้าน ยัม่สร้งสงางกันได้เลยจริงจริงร้านี่่าแรงกออันนี้่ารงเขานิ่าแรงเขาเบแนกว่าไม่่ัดาเวลานั้นอนอนี้ร่สองปีสามปี่อันีสร้งก็ี่กวสามสีส้งเส็อันนั้น ในเชื่อมเชื่อมของคนคนนั้นวนของคนนั้นอนี่ยมีตุ้มสะพานด้วย อันนี้ลองดูดูปยังอยูดูแล้วนะจังง่อืมจังเลยตัดตัวนิดอืมอออันนี้ อันนี้จะเป็นธาตุเอคือดีนี่เป็นคนผสมอ่ะมันมีการผสมอีธาตุพนมไอรบพูนไอข้างในมันเป็นรูปประวัติของอรมานี่อยู่โดนจงกรมที่ใครปฏิบัติมันไปตกอยู่ตามเป็นตายขงในอเป็นเล่าให้ยี่ิตคิดไอเป็ดเล่าให้เล่าให้าเหตุอะไรู้ไ มนันไม่อยากให้ตา ย, ยนะมันไม่อยากให้ตายไม่อยากเป็นพระธรรมเนี่ยนั่นความมันจึงคคิดของคนง่อืมัมนความคิดของคนงูั่นมันจะคนสลาดแต่ความจริงนักธรรมะนักพุทธศาสนาเควรให้มันสลัมเราฟังธรรมกันมันจยิ่งมันสลาด อันนี้เราแะนี่เราแจงจะไปฟังธรไปคุยกันเรื่องเงินนี่ยไปคุยกันเรื่องเงินธนาคารไปคุยกันเรื่องหลอกเบื่ยอะไรอะไรจ๊งนี่เจ๊งๆนั่นแหละลูกจะใา้ลูกเกิดจะเกไปอยมันโง่จนมันตายเนี่ยจนมันตายมันก็มาร้องไห้หรือมาโศกเงินแม่เงินควมือตรงนั้นอ่ะไม่เคยมทํามหมาจะทาไงไม่มีใครจะเปลียนแปลงจะทาอะไรเปี่ยนแปง เน <c ười> ี่ยตายกันแล้วมึงยอมกันสินเอ้คนคนีิตเป็นคนดีนะเป็นคนร้อมาคนใุนคือมันตายไปถึงนตายถึงมันีอะไรกันบ้างนั่นคอย่างนั้นร้องห้เียนมันมาเ่้คนดถูกถูกกคุณมันถูกม คิ ด, ดแบบนั้นยคิดแต่ร้องไห้อืมมันถูกทํำมันมันก็ ม, นมีแต่มันถูกความคิดของคุณมันเมือมันถูกความคิดของคุณคุณก็ร้องไห้แต่ในั้นนะเมื่อคิดเนี่ยมั น, ม, นมันถูกตามธรรมะแหละคุณก็สบายใจนี้ถ้าคุณจะร้องไห้จริงๆเนี่ยนะไม่ควรร้องไห้ในเวลานี้เนะี่นะน ย, ดดนะนยดีกว่าเมื่คุณจะร้องไห้จริงอดเวล่คุณจะร้องไห้ดีเมื่มันเกิดมาเนะี่ย เนา่ยตกมาจากคนรลองนั่นเนี่องให้ทำไมแล้วมาตายอยู่แล้วเนาองให้ตรงนี้ดีกว่าอันนี้มันตายเยอแต่มันตายถึงมาลองให้มันจะเกิดประโยชน์อะไรอืมตายตรงวันนี้มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากวันเกิดมันมันเกิดถ้าไม่คุณไมองให้อืมตายมึทําไมคุณมาลองให้มันตายเกิดประโยชน์อะไรไหมถ้าคุณนับนับพิจารณมาแต่วันเกิดคุณจะไม่้องให้วันนี้อันนี้คุณคิดในสิ่งนี้ ออคนที่ตายเลยนี่คือมันเกิดมาวันนั้นมันปกิดมาตายตายวันนี้แตคือมันเป็นเชื่องาต้แต่วันมันเกิดถึงวันนี้มันถึงตายเอ้คุณมาล่องให้ตอนนี้เหมือนเป็นบ้ามันตายแตแล้วถ้าเป็นน้องใม่กถ้าครับถ้าโชคผูกเลยก็ดีตายนียไอ้คนแคุณต้องศึกาใหม่ซะทีกว่า มีคนหนึ่งเป็นจาในบววดร้อยทีนงกันนคนนั่นก็คือมาฮะผมเลยมีสิทีิ์จับผมมามีเรื่อปัญหาของคนในนี้คกสบายเลยยืมสัตวงมาคนน้าก็เข้ามาหากลาหน้าตาไม่เไปยีมโยมาจะไหนเอ้โยมาจากอนาจจะดนเพรนั้นผมรอดมากผมพุกมากเดื่อใหญ่มาก งันผเป็น <stiffness> พีสของนอพอขึงมาเพ่บรเทาทุกผมผมเป็นตัวใหญ่เลื่องใหญ่เลี้ยงใหญ่อะไรทรไฟมาทด้ยังไอุนี่มันเลี้ยงไหมฮะแตมาตกใจมันทำยมว่ามันจะเลื่องใหญ่มาพูดให้ฟังว่าเมียตายมันเลื้ยงหรือมันเลีธรรมดาเห็นไรใครมีเคมีเมตายมีไ ผัวกระจายเมกระจายรูกกระจายใครกระจายหมดมันเรื่ยงเล็กมันเรี่ยงธรรมดาของมันแล้วโยมไปคิดว่ามันเลื่องเล็กเรื่องอึู่คิดมันเป็นเรื่องใหญ่ตกใจนี่อาตมาก็ยังใจหายแต่เมื่อเหยมมาเรื่องใหญ่ถามไปถามมาเลยไหมว่ามเรื่องคนตายมันเป็นเลื่องใหญ่ใหญ่แล้วมันเรื่องธรรมดาบ่ามีตุกมีตายทักคนพอแ่อแ่ืนายทุกมันเรื่องธรรมดาแ คุณคิดไหมครับคุณจะคิดมันใหญ่ใหญ่ที่มัน ล, มนลมนดม <c oughs> นลยยการพูดมีการคุในเนื้ทานมันจะ ด, ดอย่างนั้นไอ้คทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคิดไอ้ความสบายใจเกิดขึมาเพราะเหตุการ์กสัมมาทิฏฐินั่นแหล ในวันน uhm, ั like ้นแต่จะวั้นม่ตักับอกว่าคุณมาใครเลยน่ข้ามตะคน่นี่เนี่ยคนที่องพอแล้วขนาดนั้นฉันจะจิหัวได้หิจะหมากมายอแล้วเยออเ้มังาเอาสอนหน้ามันจะไม่ไปพาเือน้อยมันกลับไปว่านีลมจะหา เพาะนังดมมแล้วอืมมน้่เลยเป็นนันไม่รู้ิงจริงอืมจริงจริง้วจะมีคิีคิดันเนี่ยมันต้พูกันนะอืมมันจะต้องพูดกันนะเาคนมันบางคนต้องไปตัวตัวดูอย่างพระที่มาอยู่มาสออาจารเป็นเพื่อนกันเข้าปฏิบัติ่งป่ากันมา มาอาศัยอยนีผมเขามาพึ่งมาจะมีท่านเลยช่วยช่วยอะไรผมเป็นโรคเออผมก็ช่วยได้แต่ที่ว่ามันจะนำหมอมาดูนำทหาหมอจะช่วยจะให้มันเป็นโรคจะช่วยยังมันมานครมีช่วยไม่ได้ช่วเองผมกป็ยังช่วยไม่ได้ผมยังรอรับคำสั่งอยู่เลยก็เลย z o m ไปหาพระประภาเว ไปคืนกลับมาที่เจ้าแงสีเนี่ยทำไมต้องข้อโลกมีรักษาไม่ได้แล้วอยู่เป็นโรคมาเร็มันวนอยู่ตงเนี้ยตาของใคออกมันโรคมาเร็งท่ก็มีบอกหล้วว่าเจ้าแมงสีนะผมท่อนมาตามจนไม่มาพูดตามจนี่นักปฏิบัติมาไอ้นี้เป็นรุ่นเดียวคนนองแต่ไม่ได้จำมากเลยดิเหตอผกในระยะมันเป็นคนอ่อนไปไห ในตอประดีไหมอาวันนั้นผมอ่านหันสือเป็นหมายในการเลือกมาเนี่ยทั้งมันโรคจิตเดราะนโดกมะเร็งเนี่ยถ้าม่าตายในนานแล้วผมไหวเลยนะถ้าท่านสังจกตเนดีไหอืมบอก็มบอกการํำหมอครับแล้วกระโดกมาเดิอน